สิ่งที่เราผ่านพประสบเจอเจอตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เรายังเด็กเป็นใบรุ่นหรือที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ย แม้มันเป็นอดีตไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของเราและความทรงจำเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าหล่อหลอมหรือว่าปรุงแต่งนะความเป็นตัวเราขึ้นมารวมทั้ง เป็นเหมือนวัตถุดิบนะที่เรามาใช้ในการดำเนินชีวิตความทรงจำของเราเกี่ยวกับผู้คนจะเป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องอันนี้เราละ แ, ลแต่มีความสําคัญนะในการเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นหรือความทรงจำของเราเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆก็เหมือนกันมันละละแต่เป็นประโยชน์ แน่นอนนะข้อมูลความรู้ข่าวสารที่เราได้เดรียนระู้หรือว่าได้อ่านเจอมันเป็นอดีตก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอันนี้รวมถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะหาเทอาลไย ห, หรือจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยมัน กลายมาเป็นความทรงจำของเราแต่ว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นความทรงจำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเคยเจอเจอหรือผ่านพบในอดีตเท่านั้นนะคนมักจะเข้าใจว่าเนี่ยความทรงจำทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่ในหัวของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้เคยเจอเจอ มันคือความเป็นจริงที่อาจจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ที่จริงเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นนะเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในความทรงจําของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยฮอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยเร า, า จ, จะไม่เคยเจอเจอมาก่อนเลยด้วยซ้ําแต่เราไปทึกทักว่ามันคือ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตรเราจึงเรียกมันว่าความทรงจำแต่ว่ามันก็ไม่น่าเสมอไปนะว่าสิ่งที่เราจำได้เนี่ยมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันเคยมีการทดลองนะกับเด็กอายุ ป, ประมาณ9้าขวบ1ิบขวบเนี่ยกลุ่มหนึ่งพี่ชายก็มา มาบอกมาเล่าให้กับเด็กกลุ่มนี้นะว่าตอนที่พวกเธออายุสีห้าขวบเนี่ยนะเธอเคยถูกลักพาตัวนะสิ่งที่พี่ชายบอกเล่ากับน้องเนี่ยนะมันเป็นการบอกเล่าตามสคริปต์ตามบทที่นักจิตวิทยาเนี่ยนะบอก เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกกับเด็กเนี่ยกลุ่มนี้9ก0คววเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะพวกเธอเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือซ u เปอร์มาร์เก็ตกับแม่แล้วก็จูดจูเนี่ยก็ตอนที่แม่เผลอเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งจูงเธอไปที่ประตูทางออก แต่บังเอิญแม่เห็นแม่ก็เลยร้องโวยวายชายคนนั้นก็เลยนะปล่อยมือเธอแล้วก็รีบหนีไปที่จริงเรื่องนี้ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นนะมันเป็นแค่บทที่พี่ชายเล่าตามสคริปต์นะที่นะักกิวิทยาบอกมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าพอผ่านไปสองสาเดือนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ย พอมีคนมาถามเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในช่วงอายุสีห้าขวบเนี่ยทั้งหมดเลยเนะก็จะพูดเนี่ยว่าเคยถูกลักพาตัวเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะหรือเหมือนกับว่ามันออกมาจากความทรงจําของเด็กเหล่านี้พูดเป็นตัวเป็นตากเลยนะเหมือนกับว่าจําได้ว่าเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะตอนที่ อายุสศ่ห้าขวบเนี่ยถูกลักพาตัวแต่ว่าไม่สาเร็จแล้วเด็กบางคนก็เติมแต่งนะเหตุการณ์นะต่างๆเรียกว่าเติมไปคนละเรื่องคนละอย่าง2 อ, อย่างเลยทั้งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าเด็กเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาคิดไปแล้วนะว่ามันคือความมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แล้วมันก็กลายเป็นความจําของเด็กกลุ่มนี้ไปในการทดลอง น, นี่เขากําลังต้องการพิสูจน์หรือชื่อว่ามันมีการมันสามารถปลูกถ่ายความทรงปลูกถ่ายความทรงจําลงไปในจิตใจของคนได้หรือปลูกถ่ายความทรงจําลงไปในหัวของเด็กได้เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเด็กก็คิดว่ามันเคยเกิดขึ้นนะเพียงเพราะมีคนมาบอก อันนี้ก็ทำให้นะเกิดการตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะสิ่งที่เด็กคิดว่าตัวเองจำได้หรือว่าจำว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยจำได้ว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าและจริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่นะก็ใช่ว่าความจำเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือได้หมดนะเพราะความจำเนี่ยของผู้ใหญ่เองเนี่ย มันก็สามารถจะถูกปรุงแต่งนะหรือเติมแต่งหรือปรับเปลี่ยนได้ทั้งๆ ท, งที่สิ่งที่ได้เห็นได้ยินอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงสิบนาทีนี้เองอย่างเขาเอาให้นักศึกษาเนี่ยเป็นนักศึกษาเลยนะโตแล้วนักศึกษาจิตวิทยาด้วย สมกลุ่มนะมาดูหนังเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปนั้นคือว่าเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยกำลังอยู่ในห้างสรรพสินค้านะกำลังจะจับจ่ายซื้อของอยู่แล้วก็มีรถเข็นด้วยครที่กําลังเข็นรถเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีผู้ชายหนึ่งย่องมาจากข้างหลัง แล้วก็รีบคว้ากระเป๋าเงินที่ผู้หญิงคนนั้นวางไวง้บนรถเข็นเนี่ยแล้วก็หนีไปเลยคลิปมันก็มีแค่นี้นะแล้วนักศึกษาทั้งสามกลุ่มเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่เห็นในภาพยนตร์นั้นในคลิปนั้นแต่ว่า3ามกลุ่มเนี่ยนะจะได้รับคำถามที่แตกต่างกัน กลุ่มแรกเ ข, า, เขาจะถามว่าขโมยชนผู้หญิงคนนั้นหรือไม่กลุ่มที่สองได้รับคำถามว่าผู้ร้ายเนี่ยผลักผู้หญิงอย่างไรไม่ได้ถามว่าหรือไม่นะแต่ถามว่าอย่างไรกลุ่มที่สามเนี่ยนะก็ให้เล่านะว่าได้เห็นอะไรนะจากคลิปนั้น ไม่มีการชี้ น, นำไม่มีการถามว่าขโมยชนผู้หญิงหรือไม่นะหรือว่าผู้ร้ายผักผู้หญิงอย่างไรเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยประมาณย0สบเปอร์เซนบกว่าเนี่ยขโมยเนี่ยชนผู้หญิงก่อนที่จะคว้ากระเป๋าไปยี่สเปอร์ซนนะส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยที่ถูกถามว่า ผู้ร้ายเนี่ยชนผู้ญิงอย่างไรเนี่ยตอบเลยนะ 70% บเรนี่ยนะบรรยายเลยนะมาชนหรือผลักผู้ญิงคนนั้นอย่างไรบ้างท่านที่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่มีการสัมผัสตัวไม่มีการชนไม่มีการผลักเลยนะแต่เจบอกว่ามันมีการผลักแล้วก็บรรยายว่ามีการผลักอย่างไร การที่กลุ่มที่สามเนี่ยซึ่งเขาถามว่าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่เห็นในคลิปเนี่ยนี่ไม่ถึงสินะที่บอกว่ามันมีการสัมผัสตัวหรือมีการชนกันสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าอย่างที่บอกนะมันไม่มีการสัมผัสตัวระหว่างผู้หญิงกับเรื่องผู้ชายขโมยผู้ี่เป็นขโมยกับผู้หญิง แต่ว่าเนี่ยเจ็เนะของกลุ่มที่สองเนี่ยเราเป็นตู่เป็นตะเลยนะว่ามันมีการชนกันอย่างไรบ้างแล้วก็เติมแต่งรายละเอียดทั้งที่เพิ่งเห็นเพิ่งดูคลิปนะยี่สนาทีนี่เองแต่ความจำเนี่ยของนักศึกษากลุ่มที่สองเนี่ย มันเปลี่ยนไปเลยเพราะมีการถามนําว่าผู้ร้ายนั่นชนผู้หญิงอย่างไรพอถามแบบนี้นี่มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาน ะ, นะในใจของนักศึกษาว่ามันมีการชนกันมันมีการสัมผัสตัวมันมีการผลักอันนี้มันแสดงเลยนะห็นว่าความจำเนี่ยแม้กระทั่งของผู้ใหญ่ แล้วก็ท่าที่เหตุการณ์หรือภาพที่ได้ดูเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ10นาทีเนี่ยแต่มันก็สามารถจะปรุงแต่งให้ผิดเพี้ยนได้แม้แต่กลุ่มที่3เนี่ยซึ่งถามเขาถามเพียงว่าเนี่ยให้เล่าถึงสิ่งที่เห็นในคลิปเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยก็ยังมีถึงเกือบ 10% นะที่บอกมีการชนกัน ทั้งที่ความจริงมันไม่มีเลยอันนี้มันแปลว่าอะไรแป ล, แปลว่าความจำของคนเราเนี่ยนะมันมันยังเชื่อไม่ได้นะแล้วก็มันสามารถจะมีการเติมแต่งโดยพ่อถ้าวว่ามีการถามนำนะหรือน้มน้าวแบบแนบเนียนแบบเนียนเนนเนี่ยบางทีไม่ตเรามีคำถามนำก็ได้นะ แต่ว่าอาจจะมีเหตุอื่นที่ทำให้ความจมความจำของคนเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้จากความจริงอย่างมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยนะเขากลังสอนกาลังบรรยายนีวิชาอัจฉยะวิทยาก็มีนักศึกษานี่เป็นร้อยเลยนะนั่งฟังแค่ที่อาจารย์กำลังบรรยายอยู่นะจู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ย เข้ามาในห้องและคว้ากระเป๋าเอกสารของอาจารย์คนนั้นและรีบออกไปจากห้องนักศึกษาที่อยู่ในห้องนั้นในห้องบรรยายตื่นตกใจกันใหญ่แต่ยังไม่ทันหายตื่นตกใจใ น, นอาจารย์ก็ถามเลยว่าผู้ชายเมื่อสักครู่เนี่ยรูปพันสันธานเป็นอย่างไรใส่เสื้อเสียอะไรกางเกงเสียอะไรส่วนสูงเท่าไหร่ บอกว่าคำตอบที่ได้จากนักศึกษาเนี่ยซึ่งมีอยู่นับร้อยคนนะแตกต่างกันมากเลยนะที่ตรงข้ามกันเลยก็มีฉันั้นที่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงนาทีเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในความจำนะของนักศึกษาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากความจริงนะไม่น้อยเลย เพราะอะไรเพรตอนนั้นตื่นตกใจนะพอตื่นตกใจมันก็ในสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะในสิ่งที่จําได้นี่ไม่ใช่มันจะตรงกับสิ่งที่เห็นนะเห็นอย่างหนึ่งแต่ว่ามันปรุงแต่งไปอีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็จดจําเอาไว้หรือบันทึกในความทรงจํามันก็กลายปเป็นคนละเรื่องกันได้อาจารย์คนนี้เนี่ยแกจัดฉาขึ้นมาเพื่อที่จะสอนหรือ ยามก็นักศึกษาว่าเนี่ยประจักษ์ยพยานเนี่ยนะในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันยังเชื่อไม่ได้นะมันเป็นการสอนที่เรียกว่าไม่ได้สอนด้วยทฤษฎีนะแต่สอนจากประสบการณ์ของนักศึกษาเองนะว่าอย่าว่าแต่ประจักษ์ยพยานคนไหนเลยตัวเองนั่นแหละนะเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาก็ยังจำผิดผิดถูกๆ เพื่ย่ไปเชื่อประจักษ์พยานมากเพราะว่ามันอาจจะผิด ก, ก็ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาความจมคนเราเนี่ยนะแม้ว่ามันจะมีประโยชน์แล้วแม้บางคนจะจาแม่นเนี่ยแต่มันก็ไม่มีหลักประกันนะว่าไอ้สิ่งที่เราจาได้เนี่ยมันจะถูกยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปนานๆเนี่ยมันก็ง่ายมากที่ความจำเนี่ยมันจะเลอะเลือนหรือว่าถูกเติมแต่งโดยไม่รู้ตัว อย่างตอนเกิดเหตุการณ์เ1บกัน ญ, ญาเนี่ยโมันเหตุการณ์ใหญ่มากนะมีาาักศึษามีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยจะติดต่อสอบถามคนเนี่ยหลากหลายอาชีพเนี่ยทันทีเลยนะประมาณ 2,000 คนแล้วก็ถามคำถาม3ข้อตอนเกิดเหตุการณ์เ1บกันยาเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับใครแล้วคุณกำลังทำอะไร ให้เขียนมาแล้วนะอาจารย์นี่แกก็เก็บเลยนะคำตอบของคน 2,000 คนเวลาผ่านไป1ปี3ปีแล้วก็10ปีเนี่ยอาจารย์คนนี้แกก็ถามคนทั้ง 2,000 นคนนะคำถามเดิมมันนะ่ะตอนเหตุการณ์สเป ก, กันยาคุณอยู่ไหนทำอะไรอยู่กับใครนะ หลังจากเหตุการณ์ครบ1ปีครบ3ปีแล้วครบ10ปีแล้วก็เอาคำตอบเนี่ยของคน 2,000 นคนเนี่ยคำตอบสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว10ปีเอามาเทียบกับสิ่งที่เขียนหรือคำตอบเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ตรงกันนะถึง 40% เนะี่ย 2,000 ัคน 40% มันก็เท่าไหร่800คนเนี่ยที่ตอบผิดตอบผิดหมายถึงว่าไม่ตรงกับคำตอบแรกตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆแปลว่าอะไรแปลว่าความจำเลอะเลือนความจ์มันแปรเปลี่ยนไปทั้งที่คำถามก็ไม่ได้ยากอะไรนะตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหน ทำอะไรอยู่กับใครแต่พอเหตุการณ์ผ่านไป10ปีเนี่ยหลายคนเนี่ยพอย้อนเราลึกถึงนึกถึงเหตุการณ์นั้นว่าตัว อ, อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่กับใครเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยแต่คนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อนะว่าชันความจําของฉันมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเพราะหลายคนคนี่ก็มีความเชื่อว่าเนี่ยฉันจำได้สเิเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย มันไม่มีไม่มีใครลืมไม่มีวันลืมเลือนหรอกถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันนะทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านจาเนี่ยนะมันไม่ผิดพลาดหรอกแต่ว่ามันมีหลักฐานยืนยันนะว่าไอ้ที่คุณจําเนี่ยนะหรือสิ่งที่อยู่ในความจําคุณเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณจําหรือความจําคุณมันไม่ตร ง, งความเป็นจริงเพราะมีหลักฐานยืนยัน อันนี้เราจะลองดูก็ได้นะทดลองดูเนี่ยเหตุการณ์เมื่อวันที่หกตุลาเนี่ยเราจำได้ไหมเกิดเหตุการณ์อะไรหกตุลาที่หนองบัวลาพูอ่ะเหตุการณ์นี่เมันคนไทยเรียกว่าแทกทั้งประเทศเนี่ยรู้นะมันเกิดอะไรเพราะเหตุการณ์เสะเทือนขวัญมากเหตุการณ์ที่หนองบัวลาพูเนี่ลองจดบันทึกไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราอยู่ไหน เราทำอะไรนะแล้วเราอยู่กับใครครบหนปีนะตอบใหม่นะฉันอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรผ่านไปอีกห้าปีตอบเหมือนเดิมนะฉันอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำอะไรแล้วลองเทียบนะกับสิ่งที่ตอบในวันนี้กับสิ่งที่ตอบนะในอีกห้าปีรูอส0ปีข้างหน้ามันตรงกันไหม ไอตอนที่ไม่เทียบกันนะเราก็คิดว่าเนี่ยฉันไม่จำไม่พลาดหรอกมันจะพลาดได้ยังไงแต่เพราะว่าบางทีมันคนละเรื่องเลยนะออกทะเลไปเลยก็มีมันแสดงว่าความจำคนเราเนี่ยมันมันไม่แน่นอนเลยมันไม่ใช่แค่ความจำคนเราเลอะเลือนหรือว่าเสื่อมไปตามตามวัยนะแต่ว่ามันแปรเปลี่ยนไปด้วยและถ้าไม่มีหลักฐานนะั้นเราก็ไม่เชื่อนะดย่ยวบางคนเนี่ยดูหนังเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่ชอบเนี่ย ในวัยเด็กเช่นบางคนอาจจะตอนเด็กๆนี่ดูหนังเรื่อง e.t ทีนะโอชอบมากเลยแล้วก็จดจาบางฉากได้นะฉากนี้ฉันชอบแล้วคิดว่าในมีฉากเนี่ยแต่พอมาดูใหม่เอ๊ะมันหายไปไหนนะไอ้ฉากที่ฉันคิดว่าฉันจำได้เนี่ยมันไม่มีในในหนังอะ่นะบางคนเนี่ยจะพบว่าไ อ, อ้ที่จำเนี่ยมันผิดนะ แต่ถ้าไม่ไม่มาไม่มาดูหนังนะตอนโตนะก็อาจจะยังคิดว่าเนี่ยฉันจําได้แม่นเลยนะมันมีฉากนี้ยแต่ที่จริงมันเติมแต่งนะอัตมาก็เป็นนะนะกับหนังบางเรื่องที่ดูตอนอนาะยุห้าขวบเนี่ยแล้วก็จําได้มีฉากเนี้แต่พอมาดูตอนโตนะเฮ้ยมันไม่มีฉากนี้นะแตเ่เราเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะว่าเนี่ย จำได้มีฉากเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจมากแท้จริงมันปรุงแต่งขึ้นมาเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเพื่อชี้ว่าเนี่ยความจําคนเราเนี่ยมันมันเอาแนวนอนไม่ได้นะแม้เ ร, เราจะไปเชื่อความจํามากแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาเชื่อและฝังหัวแล้วเนะเนี่ยฉันจําไม่ผิดหรอกแล้วบางทีก็ทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะว่าจํา ความจำไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงความเหตุการณ์ในวัยเด็กกันนะบางทีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อวันซืนเนี่ยบางทีเถียงกันนะทะเลาะกันฉันจําได้ฉันวางของไว้ตรงนั้นแล้วมันหายไปไหนอีกคนบอกไม่ได้วางก็ถเถียงกันหรือบางทีก็เถียงก่าเนี่ยเธอพูดแบบนี้อีกคนบอกฉันไม่ได้พูดอีกคนบอกจําได้ว่าเธอพูดแบบนี้ แล้วก็เถียงกันทะเลาะ ก, กันนะทีระหว่างสามีภรรยาระหว่างเพื่อนนะระหว่างเจ้านายกับลูกน้องแล้วก็บางทีเจเอไปเอาตายกันแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะรู้จักเตือนใจตัวเองบ้างนะนะว่าความจำคนเราเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนก็ได้ แม้เราจะเป็นคนที่มีความจำดีแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยเราจะเติมแต่งเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกับที่นักศึกษาเนี่ยจำรูปพธร์สันฐานของผู้ร้ายที่มาขโมยกระเป๋าของอาจารย์เนี่ยตอหน้า ต, ตานี่จำแบบผิดๆถูกๆทั้งที่ก็เป็นคนที่มีความรู้นะบางเขก็เป็นคนความจำดีแต่พอ ให้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นห้านาทีหรือหนึ่งนาทีที่แล้วนี่มันจำผิดจำถูกนะแล้วถ้าเอาจริงเอาจังกับมันก็ทะเลาะกั น, อ, กกนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าความจำเลอะเลือนนะตามวัยพอแก่ชราก็ยิ่งเลอะเลือนแล้วคนที่ไม่เข้าใจความจริงตรงนี้นะว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยจะทุกข์นะ คนแก่จนโดนไม่น้อยเลยหรือบางทีก็คนวัยกลางคนเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยเพราะความจํามันมันเลอะเลือนจําชื่อคนไม่ได้จําข้อมูลข่าวสารบางอย่างหรือจําความรู้บางอย่างไม่ได้เนี่ยเป็นทุกข์มากเลยทั้งๆ ท, ที่มันเป็นธรรมดานะยังไม่ต้องพูดถึงว่าอธิจําเนี่ยมันอาจจะจําผิด ก, ก็ได้เพราะเติมแต่ง คนเราเนี่ยต้องถ้าเกี่ยวข้อกับความจาได้ได้ถูกต้องนะมันไม่ทุกนะเช่นอ่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความจำมากรู้จักทักท้วงสิ่งที่คิดว่าเป็นความจำว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เคยเกิดขึ้นก็ได้นะรู้จักทักท้วงมันบ้างอย่าไปหลงเชื่อมันหรือไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทั้งหมดและที่สองขั้นยาเนื้คือว่าอย่ายความจาเป็นนายเรานะ ความจำถ้าเป็นนายเรานี่แย่นะเพราะบางครั้งคนเราก็มีความจําที่เจ็บปวดบางครั้งก็มีความจําที่มันทําให้ขมขื่นบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์บางอย่างไอการที่เราจําเหตุการณ์นั้นได้เนี่ยมันก็ดีมีประโยชน์นะแต่ถ้ามันปล่อยให้เป็นนายาถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเรานะมันก็เหมือนกับโซ่ที่ตรึงเราเอาไว้เพราะมันทาให้เราเนี่ยจมอยู่กับอดีต มีบางคนเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าเดินไปข้างหน้าได้เลยเพราะว่าจมอยู่กับอดีตเพราะว่าถูกความทรงจำที่เจ็บปวดมันมันล่ามอาไว้บางทีมั น, มนก็ไม่ได้ความทรงจาที่เจ็บปวดนะอาจจะเป็นความเป็นอดีตที่รุ่งเรืองนะหรืออาจจะเป็นวันวานอันหวานชื่นก็ได้แต่ว่ามันการไปอดีตไปแล้วก็เสียดายอะไรก็ออยังจมอยู่กับอดีตที่เคย สวยงามนะหรือบางคนอาจจะเคยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นนักกีฬาเหรียญทองแต่ตอนนี้ไม่มีคนรู้จักแล้วก็ยอมรับปัจจุบันไม่ได้ก็ไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตกับเรื่องที่มันเป็นความรุ่งเรืองเรืองโรดนะหอมหวานแต่มันเป็นอดีตไปแล้ว ถ้าปยให้อดีตมัเป็นนายเราหรือไปอให้ความทรงจำเป็นนายเรานะเราก็ไม่สามารถจะกก้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะอย่างมีความรู้สึกตัวหรือมีความสุขได้เลยคนเราเนี่ยถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันก็ทุกข์ได้ง่ายแลนะก็เหมือนกับถูกล่ามไว้กับอดีต มันก็ทําให้ชีวิตเนี่ยนะยากนะที่จะพบกวับความสดใสวความชื่นบานหรือว่าใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ความจําเนี่ยนะถ้าเราเป็นนายมันนะมีประโยชน์นะเราใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้มากมายแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเรานี่เราแย่เลยเราไม่สามารถจะเดินต่อไปข้างหน้าได้